ศาสนาคือน้ำดับไฟไฟราคะสัณหาหรือาไฟโลกไฟโกรธไฟหลงไม่หัวใจสัตว์โลกถ้าไม่มีนม้ำคือธรรมะเป็นเครื่องระงับดับกันบ้างเลยหัวใจดวงนั้นจะเป็นเหมือนไฟทั้งกองเผารนเจ้าของอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดๆ ไ, ไม่สำคัญกับสถานที่แต่สำคัญที่ความรุ่มร้อนเผาลนจิตใจเพราะอำนาจแห่งที่เหลือตัณหาอาสวะประเทต่างๆมันเผาลนอยู่ภายในไม่มีเรื่อเวลาไม่มีอิยาบทใดพอที่จะว่างเว้นนอกจากมีธรรมเข้าไประงับดับกันเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ศาสนาจึงเป็นธรรมชาติที่จำเป็นต่อมวลตัดอยู่มากทีเดียวผู้ต้องการหวังความสุขความเจริญหวังมีร้อนพึ่งเย็นก็ต้องเห็นโทษแห่งไฟทั้งหลายที่สมอยู่ภายในจิตใจและเห็นคุณ แย่างทำซึ่งเป็นเหมือนกับน้ําสําหรับดับไฟเหล่านี้ให้พอโยดย่อนผ่อนผันพอหายใจได้บ้างิพอบรรเทาไม่รุ่มร้อนจนเกินอนี้เกินผลเกินประมาณนิดเกินสติกําลังความสามารถที่จะอดทนได้ลางลายถึงกับเป็นบ้าไปเพราะไปเหล่านี้มีจํานวนไม่น้อยในโลกเรา ที่ปราชจากรรมเป็นเครื่องยืยารักษาเพราะฉะนั้นทำจึงเป็นธรรมชาติที่จำเป็นอยู่มากไปราคะดับด้วยน้ำอันใดพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดับด้วยทำขึนเป็นคู่ปรับของกรนละกันเป็นให้ดับด้วยด้วยการพิจารณาอสุภะปฏิกูลโฉโครและอันจังทุกขังอนาตตา ซึ่งมีประจําอยู่กับสิ่งที่จิตใจไปพัวพันหรือรักชอบแต่พ่ออย่างยิ่งเรื่องอธุปะเรื่องปฏิกูเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งต่อไฟ ป, ประเภทนั้นโทสะเกิดขึ้นเพื่งะงับด้วยความเมตตาหนึ่งละมักร ะ, ะับกัน ด้วยการมองคนอื่นในแง่เหตุผลหนึ่งหรือการพิจารณาเรื่องราวที่ให้เกิดโทสะนั้นด้วยเหตุผลหนึ่งนะย้อนเข้ามาดูตัวที่กําลังโกรธกาลังโมโหโทโสอยู่นั้นคือตัวพิษตัวภัยตัวไฟเผาโจรจิตใจอยู่ในขณะนั้นก่อนอื่นที่จะยุคลามปราไหมผู้อื่นใด ต้องไม่ผู้ผู้โกรธผู้โมโหโทโสก่อนอื่นนี่เป็นของจํากัญเห็นดูที่จุดนี้ซึ่งเป็นจุดเกิดขึ้นแห่งภัยคือความโทสะหรือความกล่อเมื่อเห็นสิ่งนี้เป็นภัยก็ระงับดับการที่ตรงนี้ด้วยอุบายวิธีการต่างๆที่จะระงับดับมันได้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 เนี้ยจะมีผู้แสดงปฏิจิยญาอันเป็นความกระทบกระเทือนให้เกิดความโกรธความไม่พอใจขึ้นก็าตามผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรที่จะไปมองในแง่นั้นมองบุคคลนั้นมองเรื่องนั้นคิดเรื่องนั้นให้มากยิ่งกว่าการย้อนเข้ามาสู่จุดแห่งเหตุ ตัวโทสะซึ่งเกิดขึ้นที่ใจค้นคว้าหาเหตุหาผลแห่งความโกรธถือความโกรธเป็นจุดหมายหรือเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาถือตัวโกรธนั้นเป็นตัวโทษตัวภัยที่ทำลายตนเองอยู่ในขนาดนั้นแล้วระงับกันด้วยอุบายวิธีการต่างๆไม่ยอมเคลื่อนคราดจากจุดนั้นไปเลยควา ม, มโมโหตัวศลุความโกรธจะลุกลามไปไม่ได้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 ความโกรธก็มีความหลงมาแทรกความรักก็มีความหลงมาแทรกความชังก็มีความหลงมาแทรกทั้งนั้นอันนี้มันแทรกได้ได้หมดจึงระงับดับกันด้วยสติปัญญาอันแหลมคมเท่านั้นที่จะให้โมหะนี้สิ้นสุดลงไปเมื่อวิชาได้สิ้นสุดลงไปจากจิตเมื่อใดพึงทราบว่าเมื่อนั้นแหละโมหะ อันสำคัญซึ่งเป็นนากเงาของจิตข้างในเจงจะสิ้นลงไปหากอวิชายังไม่สิ้นเมื่อไรโมหะ ก, ก็ยังต้องมีมันเปาแก้วจริงๆออกมาจากอวิชชาเราเป็นนักปฏิบัติทำหน้าที่ของการบวชเต็มภูมิของเราทุกวันเวลาทุกอิริยาบถ ด้วยการทำละสางกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่กับใจและเกิดขึ้นที่ใจก่อนอื่นที่จะลุกลามไปสู่ภายนอกต้องถือเป็นจิจเป็นงานอันสำคัญเราอยากเห็นงานอื่นใดว่าเป็นงานจำเป็นหรือหนักแน่นมีคุณค่ายิ่งกว่า งานคือการชำระทิ่เลืประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนด้วยความเพียรท่าต่างๆหรืออุบายวิธีต่างๆอยู่โดยสม่ำเสมออย่าเสียดายเวลาเวลาอย่าเสียดายอารมณ์แห่งความคิดความปรุง้งใจซึ่งเคยหลอกล้อมาเป็นเวลานานแล้วเป็นประจําอยู่ภายในจิตดวงนั้นเลือสังขารขันหรือสัญญาขัดอันนี้ออกหน้าออกตากอยู่ตลอดเวลา ผูมีสติเท่านั้นถึงจะทราบเรื่องของสังขารและเรื่องของปัญญาที่นันออกหน้าออกตาอยู่ทั้งๆที่ไม่ได้มีอะไรมากระทบให้คิดให้ปรุงให้เกิดความสังขาญมั่นหมายก็ตามแต่มันเกิดขึ้นมาโดยลำพังข้องมันได้อย่างข้องตัวไม่เหมือนกับวิญญาณที่คอยรับทราบสิ่งภายนอกที่มาสัมผัสจึงจะปรากฏขึ้นมา การพิจรารณาจึงต้องถือใจเป็นสำคัญมีสติคอยระมัดระวังเสมออย่าไปคุ้นเคยกับความเพียนแบบโลกโลกเคยให้เป็นความเคยความชำนาญเคยไปในทางชำนาญอย่าถือว่าเคยเดินจนกลมแล้วก็เดินไปเฉยๆนั่งเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อันใดเพราะ สิ่งที่จะให้เกิดประโยชน์ตามหลักแห่งความเพียรนั้นต้องมีสติเป็นเครื่องจดจ่อต่อเนื่องกันกับงานที่ตนทําเห็นผู้บริกรรมก็มีสติคากับการบริกรรมของตนสืบเนื่องกันไปโดยลาดับผู้พิจารณาทางด้านปัญญาสติก็เป็นของสำคัญไปตลอดสาย ไม่มีที่จะละเว้นสติไปได้เลยการยืนการเดินไปที่ไหนสติให้มีอยู่กับตัวความมีสติอยู่กับตัวนั้นก็เหมือนมีเครื่องรับทราบนอกจากรับทราบแล้วสติปัญญาท่าทางต่า ง, างๆที่จะระมัดระวังลึกต่อสู้ต้านทานกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้น ย่อมทำหน้าที่ได้รวดเร็วกว่าคนไม่มีสติทั้นท่านจึงฝึกสติสติเป็นของสำคัญตั้งแต่พื้นพื้นภาวนาการอบรมในเบื้องต้นก็ยังต้องอาศัยสติเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนก็เช่นเราไปอยู่ในสถานที่น่ากลัวมาก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 ทั้งกลัวจิตจะส่งออกไปสู่สิ่งที่กลัวนั่นก็กลัวจึงต้องระมัดระวังทั้งด้านแห่งอันตรายเกี่ยวกับสิ่งภายนอกเช่นเสือเป็นต้นทั้งภายในคือสติจะเผลอตัวจากความเพียรนี้ก็ระวังไม่ยอมไม่เสียดายบังคับจิตไม่ให้เสียดายในอารมณ์ที่ เป็นสิ่งที่น่ากลัวเช่นคิดไปเรื่องเสือเรื่องอันตรายใดๆไม่ยอมให้จิตเล็ดลอดออกไปคิดเป็นอันขาดให้จิตคิดตรงเป็นคำบริกรรมก็ให้อยู่กับคำบริกรรมจิตตรงพุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธสืบเนื่องกับเป็นลำดับสาละทุกสิ่งทุกอย่างในความคิดภายนอกให้สติกับจิต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 พอคิดออกไปขณะเดียวเท่านั้นจิตก็ถอยกลับทันทีอยู่ด้วยความมั่นคงของใจใจเลยกลายเป็นใจที่กล้าหาญขึ้นมาในขณะนั้นทั้งๆ ท, ที่ในเบื้องต้นเราเริ่มเดินจงกลมจิตตัวมากแต่กลายเป็นจิตที่กล้าหาญขึ้นมาให้เห็นประจักษ์ใจเดินสักเท่าไหร่ก็ได้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 สะดวกสบายด้วยจิตที่มีความอ่อนโยนไม่คิดเลยว่าเสือนั้นจะทําอันตรายอะไรแก่ตนได้เลยแต่ความริงนั้นจะได้หรือไม่ได้เป็นอีกเนือหนึ่งแต่ความรู้สึกในขณะ น, นั้นไม่มีกลัวอะไรทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าอันตรายไม่มีความสะทกสะทานเพราะจิตมีความ แน่นหนามันคงเต็มตัวเกินกว่าที่จะไปหมอบหรือไปกลัวหรือไปอ่อนน้อมต่อสิ่ง น, นั้นว่าเป็นของน่ากลัวกลายเป็นจิตที่สง่าผ่าเผยอง์อาจกล้าหาญเต็มตัวขึ้นในเวลานั้นนีได้เห็นประจักษ์ใจมาแล้วเพราะฉะนั้นการประกอบความภาคเทียนแม้จะ เป็นนิสัยที่ลาดหวาดกัวของมนุษย์เราที่มีชีวิตอยู่เช่นจัดทั้งหลายกลัวก็ตามแต่ก็ต้องบังคับตนให้เข้าไปสู่สถานที่เช่นนั้นเพื่อการประความความเพียรได้ดีเสมอมาเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนใหไปอยู่ตามนุกขมูลล่มไมาชายป่าแต่เขาที่เปรียวเปยวอันเป็นที่น่ากลัวพระองค์ทรงเห็นเหตุเห็นผลแล้ว ใ น, นเวลาอยู่ในสถานที่น่ากลัวท่านก่อแสดงให้เราได้เห็นได้อ่านดูแล้วเช่นทัชกาสุหากว่าไปอยู่ในสถานที่น่ากลัวเกิดความเปลี่ยวเปล่าขึ้นภายในจิตใจว้าเวให้เราลึกถึงพระพุทธเจ้าความกลัวนั่นจะหายไปหากเราเลือกถึงพระพุทธเจ้าความกลัวยังไม่หายเพื่อเราเลือกถึงพระธรรม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 โดยไม่จิตเล็ดลอดออกไปสู่สิ่งอื่นสิ่งใดที่เป็นของน่ากลัวหรือไม่กลัวก็ตามให้มีความกลมกลืนกันอยู่กับทมบทนั้นๆจิตจะมีความแน่นหนามัม่นคงขึ้นภายในตนโดยลำดับลำดับจนกระทั่งแน่ชัดภายในจิตใจมาจิตนี้หาความสะทกสะทานหวั่นไหวไม่ได้แล้วเกี่ยวกับเรื่องความกลัวอะไรทั้งสิ่งนั้นะรู้ได้ชัดทนี้เดินเท่าไหร่ก็เดิน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 เราเคยทำด้วยอุบายวิธีนั้นๆจิต ท, ทั้งเราได้รับความสงบต้มเย็นได้รับความกระหารเราจะต้องทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างอื่นนี่แหละเดียวว่าเราได้หลักเกณฑอไปไหนก็ใช้อย่างนั้นจริงๆเป็นก็เป็นตายก็าตายจิตจะไม่ยอมปล่อยวางจากหลักธรรมที่นำเข้ามากากับใจนี้เลยเมื่อเป็นเช่นนั้นผลก็ต้องปรากฏขึ้นมาดังที่เคยปรากฏแล้วไม่เป็นอย่างอื่น นี่ได้เคยปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่สมัยก่อนผิดกับสมัยนี้อยู่มากผ่านกันมาไม่กี่ปีก็ตามความเปลี่ยนแปลงของโลกนี่ต่างกันมากเห็นในป่าในเขาแต่ก่อนมีแต่จัตแต่เสื้อมีแต่อันตรายทุกวันนี้ป่าก็ถูกทำลายไปหมดไปที่ไหนมีแต่ผู้แต่แตคนหาคําว่าสัตว์ประเสือชักจะไม่มีนานต่อไปกว่านี้พูดเรื่องเรื่องสัตว์แต่ เ, เสื้อ คนอาจจะไม่เชื่อก็ได้ัางทงง่ันก็เคยมีเคยเป็นอยู่แล้วอย่างนั้ น, น, นท่านท่านนักปฏิบัติทั้งหลายพึงถือสติเป็นสำคัญให้กรรมกับตัวถือเป็นภาระนาทีของตัวอย่าเสียดายความคิดความปรุงเกี่ยวกับโลกสงสารใดใดที่เราเคยคิดเคยปรุงเคยสัมผัสสัมผั์มาแล้วได้ผลดีชั่วประการใดพอที่จะ นำมาเทียบเคียมเลือกเซนได้แล้วไม่ควรจะเสียดายในอารมณ์ที่เคยเป็นมาแต่พึ่งทราบว่าขึ้นชื่อว่าเรื่องกิเลสแล้วไม่ว่าประเภทใดๆต้องเป็นเครื่องกล่อมใจสัตว์ได้เป็นอย่างดีนี้อย่าลืม อ, อันนี้เป็นสำคัญที่เราปฏิบัติก็พ้นไปจากสัตว์โลก ที่จะถูกกล่องจากกิเลสประเภทต่างๆไม่ได้เหมือนกันจิงพึงตั้งสติรอรับไว้เสมอว่ากิเลสประเภทใดๆจะต้องมากล่อมที่ใจใจจะต้องต่อสู้กับกิเลสด้วยธรรมขึ้นชีวธรรมต้องฝืนกับกิเลสเพราะต่อสู้กันอันใดฝืนมักจะอันนั้นเป็นธรรมอันใดที่ไม่ฝืนเป็นความชอบพอ มักจะเป็นกิเดสเสมอในขั้นเริ่มแรกเว้นเสียแต่ธรรมะขั้นกลางไปถึงขั้นละเอียดแล้วนั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งผิดกันตั้งแต่ขั้นกลางขึ้นไปแล้วจิตใจมีความดูดดื่มในธรรมคลายโลก ร, รมิตทั้งหลายออกไปเป็นลำดับกันสิ่งเหล่านั้นไม่มีกำลังจิตใจหนักแน่นไปในธรรมเพราะธรรมมีกำลัง เฉพาะอย่างยิ่งสติปัญญาจัดทาความเพียรมีกําลังกล้าไปเดินหนักจนกระทั่งถึงทำขั้าละเอียดเพียงไรจิตยิ่งมีความเพลิดเพินจนเกินเนื้อเกินตัวไปก็มีในบางครั้งท่านจึงเรียกในสังโยชน์เบิ่งบนว่าอุทัศจะความฟุ้งจนลืมเว ล, ลาเวลาลืมเนื้อเดมตัวอันนี้ก็เป็นสังโยชน์ประเภทหนึ่งคือเครื่องข้องเครื่อ ง, องเครื่องข้องได้เหมือนกัน ดังเราเห็นในตำราที่พระท่านเดินจกมกรมจนฝ่าเท้าแตกนั้นจาความรู้สึกนึกคิดธรรมนาทั่ ว, วไปไนี้ว่าท่านฝึกท่านทรมานตนเองจนบังคับตนเองให้เดินเสียจนฝ่าเท้าแตกแต่ถ้าคิดตามหลักปฏิบัติแล้วขั้นแห่งความเพียรขั้นนั้น หากเป็นอย่างนั้นเองคือลงได้ทำมันเป็นความเพียรอยู่ทุกอียาบทไม่ว่าจะเดนจะเดินจะนั่งจะนอนเช่นเดินจงกรมนี้ปิดใจหมุนติ้วอยู่กับธรระหว่างทมกับวิเลียยที่ต่อสู้กันพัวพันกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาที่จะคิดถึงเดือนปีนาทีโมงเช้าสายบ่ายเย็นหิ้วก็หายใดใดทั้งสิ้นเหมือนกับ เข้าตรุมบอลกันจะเป็นเถอตัวไม่ได้นั่นแหละความเพียรที่ทำให้เผดเดินจงกรมจนกระทั่งฝ่าเท้าแตกไม่รู้สึกตัวเพราะพลังของจิตที่มีกำลังมากเร่งต่อความภาคเพียรเพื่อความบุญพ้นฟากฟันหันแหลกกับทิเลตไม่มีคำว่าท้อถอยปล่อยวางนอกจากให้ได้ชายชนะ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 ไม่ใช่เป็นไปเพราะความบังคับบิดเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกทั้งๆที่กิจก็เร่รอดปุ่นนั่นวุ่นนี่หาสาระแ่นสามไม่ได้แล้วก็เดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกนี่คิดว่าจะเป็นไปได้ยากแต่เพราะความเพียรเป็นเครื่องดึงดูดให้เพลินจนลืมเวล่องเวลาลืมเหน็กเหนื่อยเมื่อยล้า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 เมื่อละเอียดเข้าไปยิ่งกว่านั้นต้องเล้คุย้ยเสียวขุดค้นหาตัวกิเลสราะกิเลสมอกหลบซ่อนสติปัญญาอันทันสมัยเกียงไกลเต็มที่มีแต่ถ้าจะฟาดปัญหนแหลกโดยท่ายเดียวหาคำว่าแพ้ไม่มีคำว่าท้อถอยไม่มีมีแต่ถ้าจะเอาให้แหลก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 ทำกับกิเลส ต, ต่อสู้กันเข้าสู่ความสงบคือสมาธิเป็นการเป็นเวลานี่เป็นความเหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติเมื่อพักงานตามธรรมดาของจิตขั้นนี้ต้องเสียดายงานเสียดายการทำงานไม่อยากพักตัวแต่จำเป็นต้องบังคับเรียกว่ารั้งเอาไว้เข้ามาพักสงบเมื่อพักสงบ แล้วจิตใจก็มีกำลังหยุดปรุงแต่งโดยทางปัญญาที่เคยนำไปใช้กับกิเลสเสียในขนานั้นเหลือแต่ความรู้ล้นล้วนทรงตัวอยู่ได้ขนาดพอสมควรพอรู้สึกตัวว่ามีกำลังแล้วก็ถอยจิตออกแล้วก็จิตนั้นพอถอยออกเท่านั้นจะวิ่งถึงงานทันทีไม่มีอะไรเร็วยิ่งกว่าจิต แล้วก็หมุนติ้วกันไปโดยลําดับถ้าขั้นนี้แล้วไม่มีคำว่าขี้เกียจนิดหนึ่งก็ไม่มีความขี้เกียจผ่หานหน้าไปหมดทิ่เหลือหมอบต้องคุย้ยเขียขุดค้นกันถ้าจนเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ก็เป็นงานอันหนึ่งพอเจอทีเหลือแล้วที่นี่ก็ต่อสู้ทิเหลดก็เป็นงานประเภทหนึ่งการคุย้ยเขียหากิ่เหลือก็เป็นงาน ประเทศหนึ่งเวลาเจอกันแล้วก็ต่อสู้กันก็เป็นงานอันหนึ่งจนได้นชานะะคือหมายคำว่าเข้าใจจนกิเลสนั้นหลุดลอยลงออกไปจากใจแน่ใจเห็นประจักษ์แล้วคุ้ยเขี่ยวไปุดค้นอีกเจออีเอ้าอีอยู่อย่างนั้นนี่หัวปัญญาขั้นอัตโนมัติ <c oughs> คือหมุนตัวไปเองผู้ปฏิบัติ ถ้าลงปฏิบัติถึงขั้นนี้แล้วจะไม่มีเวลาจิตใจที่จะว่างงานงานจะเป็นไปอยู่ตลอดอิเดียบทเว้นเสียจะหลับแม้จะหลับก็ยังไม่อยากจะหลับบางคืนตลอดลุ่งเฉยเฉยไม่หลับเลยเพราะจิตยังทำงานด้วยเหตุ น, นี้จึงต้องได้ร้างจิตยับยั้งจิตเข้าสู่สมาธิเพื่อให อีกมีความสงบมีท่านในขั้นนี้จะพูดตามธรรมะป่าแล้วเรียกว่าเทอนในความเพีย่ยนอาจจะเข้ากันได้กับคําที่ว่าอุทธัจจะในสังโยชน์เบื้องบทคือความฟุ้งความเทินในความเพีย่ยนคือฟุ้งหมายของว่าวุ่นอยู่กับที่เลยต่อสู้กับกิเลยพุ่งตัวออกไปสู้คือ ต่อสู้กับกิเลสตลอดเวลาไม่ใช่ฟุ้งซ่านแบบโลกโลกแล้วเกิดความรำคาญแบบโลกโลกอย่างนั้นผิดกันคนละโลกไม่ใช่อย่างนั้นฟุ้งในะสถานที่หมายถึงว่าพุ่งไปต่อต่อสู้กับงากับกิเลสนั่นเองจนจนลืมเนื้อลืมตัวลืมเว ล, เวลาเน็ตเหนื่อยเมื่อยล้าให้หมดท่านอุทัจัเมื่อจิดผ่านไปแล้วถึงจะรู้ได้ว่า อ๋อตรงนั้นมันคือจุดนั้นไยถ้ายังไม่ผ่านก็ไม่รู้เช่นยังพักจิตอย่างนี้มันจะตายจริงๆก็มาพักสักทีหนึ่ทงทั้งที่ไม่อยากพักก็ต้องจำใจพักเพราะจิตมันเหนื่อยมากจริงๆแต่เหนื่อยก็ไม่ถอยนะถ้าเป็นสิ่งที่ตายไปได้มันก็ตายจริงแต่นี้จิตไม่ใช่เป็นของตาย ได้มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยความเพียรภายในจิตจึงต้องเข้าสู่สมาธิเพื่อความผักพักให้มีกำลังพอถอนออกจากสมาธิแล้วจิตใจจะรู้สึกขึงขังตึงๆนี่เห็นคุณค่าของสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนปัญญาได้เป็นอย่างดีท่นจึงกล่าวไว้ในอนุสสตั์ว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโมติมหานิสังซา ปัญญาอันสมาธิอบรมคืออันสมาธิหนุนหลังพูดง่ายๆันมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วย่อมทำงานได้ผลเป็นที่พึงพอใจไปโดยลำดับนีน่พูดเอาความเป็นอย่างนี้จงสมาธิจึงมีความจำเป็นตลอดสายจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสมาธิจะละไปไม่ได้ถึงการพักต้องพักเช่นเดียวกับเราทางาน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 ทนีปัญญาปริภาวิตังจิตตังซัมมาเดวะอัศวหิมุจจตินั้นปัญญาอันจิตอดรมแล้วอันจิตซักฟอกอจิตอันปัญญาซักฟอกแล้วพูดเต็มให้มันเต็มตามความถนัดใจคือจิตอันปัญญาซักฟอกแล้วย่อมดุดพ้นจากกิเลสทั้งป mm hmm. วงนั่นว่าองนั้น เพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาจริงแยกไม่ออกพรพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บันดาลเองเพื่อส่วนรวมทั้งหลายเป็นสาธารณธรรมว่าศีลสมาธิปัญญามีความเกี่ยวโยงกันอย่างนี้แต่สมาธิของใครจะเด่นขนาดไหนนั้นเป็นไปตามคดีนิสัยเป็นอะนรแต่เรื่องความสงบเพื่อจะเป็นบาตรฐานแห่งปัญญานั้นมีความจาเป็นเสมอกัน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 มีเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านลำคาญพิจารณาให้เป็นปัญญากอกลายเป็นสัญญาอารมณ์ไปหมดเสียเพราะจิตไม่ได้อิ่มตัวเพราะฉะนั้นการอบรมสมาธิจึงมีความจำเป็นสมาธิขั้นใดก็าตามมีความจำเป็นต่อปัญญาขั้นนั้นๆเราจะไปคิดว่าได้สมาธิเต็มที่แล้วจึงจะพิจารณาปัญญาอันนั้นเป็นความเห็นผิดความสงบ ขนาดใดก็ควรแก่ปัญญาขนาดนั้นบางครั้งปัญญาต้องมาอบรมจิตให้เป็นสมาธิก็อย่างดังที่เขียนไว้แล้วนั้นอันนั้นมันเป็นชั่วระยะการที่เราจะควรนำมาใช้ไม่ใช่เป็นธรรมเสมอไปแต่เป็นธรรมเสมอไปเฉพาะสมาธิอบรมปัญญาดัางที่ท่านกล่าวไว้ย่างนั้นนี่ที่กล่าวมาเหล่านี้ ได้กล่าวถึงตัวเรื่องความหนักใจความท้อถอยอ่อนแออยา่าเอาเรื่องการงานในเบื้องตน้นเป็นการลำบากทำให้เกิดความท้อถอยน้อยใจอาจคิดไปว่าตนไม่มีว่าศสนาบ้างตนมีว่าศสนาน้อยบ้างซึ่เป็นเรื่องให้เกิอดอุปสรรค ต่อการดําเนินไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเรามีอุปริสัยด้วยกันทุกคนเวลานี้เราก็ได้เป็นพระตัง้งหน้าตั้งตามาบวชในพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาความเชื่อความเล่มใสพิเลสก็มีประเภทเดียวกันกับครั้งพุทธการไม่ได้นอกเหนือไปจากนั้นเลยธรรมะที่เป็นเครื่องปราบพิเลกคือศีล ส, สมาธิปัญญา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 เหมาะสมกับจดิติใจของตนและเป็นสิ่งที่จะทำให้กิเลสหลุดลอยออกไปได้นั้นเป็นอุบายที่ถูกต้องด้วยกันเราจะคอยเอาตามแบบตามแผนตามตหลับตำลาโดยไถ่เดียวจะไม่ทันการไม่ทันกับกิเลสซึ่งนอกจากคัมพี์มีเยอะกิเลสไม่ใช่ว่ากิเลสจะไปนอนกองกันอยู่ในกัมภีให้เราไปฟาดไปฟัน กันยมากซึ่งอยู่ในคำมภีร์อันเดียวกันนั้นให้กิเลสที่หายตายไปหาได้ไหม <c oughs> ยิเลสมันอยู่นอกคำเภีรมันเข้ามาอยู่ในหัวใจเรานี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นปัญญาจึงผิดขึ้นที่ตรงนี้เราได้เงื่อนได้หลักฐานมาจากการศึกษารเรียนพอประมาณแล้วให้มาตีแผ่ออกแต่ละขนแขนงขนแขนง เป็นอุบายวิธีการของตัวเองนำมาใช้ฆ่ากิเลสปราบรกิเลสภายในจิตใจของตนนี่ชื่อว่าเป็นผู้มีความแ ย, ยบคายไปตามกระดิษฐ์ในิสัยของแต่ละหลายที่จะควร น, นำมาใช้สำหรับตนถูกต้องด้วยกันทั้งนั้น <c oughs> อิยาบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนขอให้มีสติ อยู่โดยสม่ำเสมอแม้จะไม่ได้พิจารณาอะไรความรู้สึกตัวให้เป็นสัมปัตยัญญะพยายามฝุดให้ดีสัมปัตยัญญาคือเมื่อสติมีความสืบเนื่องดูกับตัวท่านเ็าเรียกสัมปัตยัญญะถ้าลึกลู่เป็นขณะขณะไปก็เรียกว่าสติถ้าละเอียดขึ้นไปจนถึงกับเป็นอัตโนมัติของสติของปัญญาแล้ว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 พอที่จะคิดคน้นหามาแก้ไขพอได้เล็ดลอดไปได้ยังมีอยู่ภายใ ห, หัวใจใครจะไปะยอมตายเฉยๆตอนนั้นละ่ะตอนสติปัญญาเกิดแล้วพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอาตัวเล็ดรอดไปได้และได้หลักฐานพยานดนดันจาก อ, องอาจฆ่าหารในวาระต่อไป <c oughs> ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจให้มีความห้าวหาญต่อแดนแห่งความพ้นทุกข์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 วิเศษคือใครก็คือพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกทรงค้นพบธรรมอัศจรรย์ธรรมอัศจรรย์นี้ผู้ที่จะเป็นผู้รับทราบเป็นผู้รับรองเป็นผู้ยืนยันเป็นผู้ทรงนรสทรงชาติอัศจรรย์นั้นไว้ก็คือใจพระพุทธเจ้าก็ธรรมาตรัสรู้ธรรมก็คือตรัสรู้ที่ใจความกิเลสให้หมอบราบไปหมด เหลือแต่ทำลนล้วนเต็มพระไทยนั่นเนี่ยที่เรียกว่าศาสดาองค์วิเศษท่านรู้ทั้งเหตุทั้งผลอย่างเต็มพระไทยแล้วนำมาสอนลกูกอย่างไม่อัดไม่อัน้นธรรมะที่กล่าวไว้ว่า8ป0 0มืสี่พันพระธรรมขันธ์นี้มีเพียงพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรเลยถ้าตามภูมิของพระพรองศาสดาแล้ว คาสตาสอนโลกมากต่อมากสอนอยู่ถึง4ี่สิบ้าก้าพันศาจึงเสด็จไปนิพพานหนจะมีเพียง8ป0 0 0ี่พันมัธรรมขันจะทันกับโรคกิเลสตัณหาสวะของสัตว์ทั้งสามโลกธถาคนี้ได้อย่างไรถ้าทำไม่มากมายิ่งกว่านั้นเป็นไหนๆทันกับกิเลสของสัตว์ประเภทใดก็ตามโดยลำดับไม่มีอัดมีอันในการสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ซ้ํารอยกันนอกจากจดิตนิสัยของสัตว์โลกจะซ้ํำรอยผู้บายวิธีการแห่งธรรมที่ทรงแสดงออกจึงจะซ้ํากันหากจดิตนิสัยของผู้มาเกี่ยวข้องไม่ไม่ซ้ํากันธรรมะพระองค์ที่จะนำการสอนศาสตโลกเพื่อได้รับประโยชน์เป็นระดับนั้นจะซ้ํากันไม่ได้ไม่อย่างั้นจะเรียกว่าเป็นศาสตาเอกได้อย่างไร <c oughs> เพียงพวกเราขึ้น ตัวเท่าหนูนี่ใครลองรู้สิรู้อัดรู้ธทำขึ้นภายในใจต้องพูดได้อย่างอาจหาญควรที่จะแก้ไขดัดแปลงซึ่งกันและกันในวงปฏิบัติ ด, ด้วยกันอย่างไรนี้ต้องพูดได้เต็มปากเพราะได้รู้ได้เห็นทั้งเหตุทั้งผลได้ผ่านมาด้วยกันอย่างโชคโชนแล้วได้เห็นผลประจักษ์ใจแล้วทําไมจะพูดจะสั่งจสอนเนี้ยกันไม่ได้อกว้างแคบขนาดไหนก็ต้องเต็มภูมิของผู้นั้นเหมือนกัน เพียงเท่านี้ก็พอให้ทราบได้ว่าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นความศาสดานั้นทรงแสดงธรรมแก่โลกนั้นมีธรรมประมาณเท่าไหร่ก็ครอบโลกกานเองอุบายวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนโลกในสามโลกกรานนี้ไม่อย่างนั้นไม่ทันกับพิเลศของสัตว์มีก็พยายามอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนเพื่อให้ได้หลักได้เจนผู้มาใหม่ก็มีผู้มาเก่าก็มี ตั้งอกตั้งใจยามาแบบทะเลาไหลมาสักแต่มาอยู่สักแต่อยู่ไปสักแต่ไปไม่ได้เรื่องใด้ลาวแล้วมาเอาชื่อเอานามมาประอยู่กับอาจารย์นั้นออยู่กับอาจารย์นี้ไปจับจ่ายขายจจากินอย่างนั้นก็ยิ่งเลวซามใหญ่ไม่คงกับความมุ่งหมายของผู้ให้การอบรมเพื่อเพื่อทําโดยแท้แต่บรรดาท่านผู้มาอาศัยทั้งหลายเพราะนั้นจึงเห็นใจ ได้อุตส่าห์พยายามแนะนำตักงสอนเพื่อนฝูงมาเต็มปติกำลังความสามารถไม่ว่าธรรมะขั้นใดไม่เคยมีปิดบังลีล้ลับเปิดเผยฝังทุกแง่ทุกมุมเพื่อเป็นคติเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ดำเนินตามหลักที่แน่ใจว่าได้สอนโดยถูกต้องแล้วนั้นงนต่อจากนี้ไปก็ให้ท่านปัญญาอิบายเพื่อนฝ เรืนองนั่นละตัดผิดทำรอนฟังนะขีดผ้าตัวหน้ า, าเลยเลนลินร้องไห้ฟังนะทำรอนฟุ้งฟังนะอันนี้สายรุ่นตะก่อนตั้งเป็นอย่งัยงไงมาคิดเอาผ่าตัดผิดมันก็ผิดไปแล้วจะมาขีดอีกนี่หาประโยชน์อะไรเน้นก็ไม่เห็นผิดมากอะไร เนียนถึงกับ ร, อบร้องไห้แสดงว่ากระเทือนจิจเนนมากเพราะความผ่าพ้นของเราเหนมานะั้นเราเอาใจของใส่ผ่าพ้นมา เ, าเนีย น, ยนร้องไห้เลยเหมือนกับเอาเนนเป็นอาจารย์ท่านวางเลยตัดสินใจตั้งแต่บัณ น, นั้นกิริยาอย่างนี้จะไม่เอามาใชา้จนกระทั่งวันตายทัานวางนั้นนะมีท่านเด็กนะพิกมาญาติใหม่หมดเลย วิิยานั้นไม่อามาใช้เพราะงั้นทุกวันคือเป็นอย่างนี้นสมาลนคุยผมฟังนินอยู่ค้อนแก่นมันตอนที่ผมไปพบท่านที่ว่าท่านนี้ปรากฏว่าจะได้คุยกับธรรมะกับพระสำคัญองค์ในหนึ่งแน่ๆในของต้งวันนึ้งนะคยให้พระไปรออยู่ที่ศาลานอนเพ้าอยู่นั้นในร้องคืนผมก็ไปนานอนีกต่บ พิยามึงไม่มีเลยเลยพิยาว่าดุว่าด่าอะไรไม่มีเลยทุกวันอ่อนนิ่มไปหมดท่านท่านเปลี่ยนได้จริงจเปลี่ยนจนไม่มีเดือนเหนือเลยน่าชมมากท่านอ่อนโดนนะถ้าคนไม่เคยสร้างนิสมา่ตะก่อนก็เข้าใจว่าท่านเป็นนิสัยนีมาตั้งเดิมท่านบอกท่านเปลี่ยนใหม่เป็นมาเลยเปลี่ยนมาตั้งแต่บัดนั้นเลยท่าน ตัดสิ้นกาลงอย่างเด็ดขาดเลยเดียวปียาอย่างนี้จะไม่ช้าจะมาสรางวันตายไม่ให้มันปรากฏขึ้นมาอีกเลยจะมาสร้างวันตายทั้งวัพูดถึงเ่อขนาดวันตายนะเ น, นี่ยเด็กด้วยคำว่างเก็ตัดขาดตั้งแต่วันนั้นปืยานั้นไม่ให้มีเลยนะเพราะงั้นผมจึงปียาอย่างนี้แล้วคนไม่เคยรู้ผมมาแต่ก่อนก็จะว่าผมเป็นอย่างนี้มาแล้วเดิมไม่ใช่นะผมว่างนั้นนะนี่ผมมาเปลี่ยนใหม่แล้วตอน เนินตาสบองถินั้นเป็นเหตตั้ท่านเราท่านฉี่ผ้าสบงผ้าขาวต่อหน้าเนิ่เนนเป็นร่องไห้ขนาดขนาสังอาจารย์พูดตอนกีฬาขาก็าเริบ ม, มากเลยผมฟังโอ้ก็น่าว่าท่านเก่ง น, นะมันทำเดอ ย, ยังไงกันไม่รับ เหมือนอย่านั้นแหละคนเราต้องมีวิสัยมันมีอะไรมาช่วยอย่างไรท่านมาอยู่ทั้งพนแก่แล้วนะตอนนั้นยิดมันเสื่อมทันวลาแต่ก่อนดีคือกุหลาก็ดีมันมาเสื่อมนี่ราคามันก็เลิอกอย่างรุ่นแรงน้อยแค่ธรรมดาเกินตัดสินใจจะทําช่วยแล้ ว, วทันเวลแล้วถิ่ตะวันตกวัดนั้นมันมีประช้า เขามาหาปู่มาผู้หญิงไดยินเสียงทวันเวลาค่าวันนี้มันกำเริบจริงจริงกำเริบนจะไมู่สติสตังอะไรเลยแม้ราคามันจะเล่นเวลามันกำเริบมันรุนแรงที่สุดนะทนันวะ่างี้แหละผมเห็นผมเองทงงันว่ามันก็กุก๋มฟังมันจนลั้งมอยู่ทว่างัตัดสินใจออกไปวันนั้นหวาง ผู้หญิงอะก็ตามจะไล่กอดเลยเสร็สมมาเลยทันวังนี่นะพอดีวันถึงวันนั้นพอวันตัดสินใจอย่างนั้นทไม่มีคนเลยทท่านออกไปทำกันทันวังเงียบมันมีสักคนเงียบู้หญิงไเงียบเหมือนเหมือนกับประชา ค, คนตายล้วนๆอ่ะไม่มีคนเป็นเข้าไปเกี่ยวข้องเลยทันว่านี้ท มือนก็เทวดาทั่วไปถ้าไมนั้นจะต้องลมไปเลยผมทันหางนี่นะเพราะมันได้ตัดสินใจเราขนาดนั้นนะแล้วไปแล้วเงียบบดเหมือนกับบริเวณนั้นเหมือนกับโลกดับสนิไไม่มีเสียงกู่เสียงคนอะไรเหมือนป่าชาจริงๆทันางมีแต่คนตายซึ่งทุกวันนีเป็นอย่างนั้นทันา เข้ามาหาฟู้นอะไรไม่างต่างที่คนอยู้หญิงเต็มเงนินวันตัดพินเจ้าไปกลับเป็นคนโลกไปเข้ามาก็ท่านมาจะเอามีโกนเชื่อดคอท่านถึงสองสามหมนนุนะเห็นว่าเพราะราทะกำเดิมมีอะไรเตือนขึ้นปุ๊บให้สะดุ้งทันทีกันเ่าสามหมุนเหมือนกันมันขึ้นมาจากภายนางนีกันมา ตั้งกต่เล่าให้ฟังที่อุบายจะขึ้นมาปุ๊บในท่านห น, น, นึ่นงเวลาท่านเจอได้ติกนั่นน่ะไปเขานั่นถนัดไปเมื่อไปแล้ว ม, มันไม่ัมนไม่สมจิตสมใจที่ที่ไปนั่นเลยมันพลาดไปนั่นลกลับมามเฮ็ดอีกที่นึ่งหนึ่งว่างันมา ไอดูนั้นมันมีอะไรแสดงขึ้นทัว่าตอนไปปะช่านไปอยู่ยังนี่มองนู่นมองนี่เหมือนก็มองหาเหยื่อทันว่างนั้นนะแล้วมันผดขึ้นมานี่เลพผลขึ้นมาจนโอ้โหจนสะดุ้งทันว่างนั้นนะแต่ผมก็จําไม่ได้แล้วเอาไว้กลับปุบทันทีเลยฟาดกันใหญ่เลยเดียวทันว่างั้นะกับความเพียนกับอันนี้นะฟาดเป็นอย่างตายก็ตายคนนี้ไม่มีเป็นอย่างอื่นทันว่างั้น เพราะอ น, นันอุบายนั่นแหะเตือนทนะ่นแต่ตอนจะมีกลมาเชื่อทคอยของก็เตืนอนเพราะจากมีกลัวขึ้นผึ่งขึ้นมานี่เลยเลยวางทันทะีเหมือนเหมือนอะไรพูดไม่ถกสะดุดอย่างแรงทุกขีจนถึงกับว่าทําไม่ได้ว่างั้นแต่นะทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้กลัวตายเลยนะท่านวางนี่นะถ้าไม่ได้กลัวตายไม่ได้กลัวเจ็บกลัวปวยอะไรเลยมิได้จะเอาให้ตายเพรานั่นแต่เพราะอุบายนี้ ถึงขึ้นมานี่มันอ่อนไปหมดเลยเพราะเชื่อในอุบายนั่นหมเป็นธรรมตั้งแต่งเลยเมันป็นมืออ่อนไปหมดเลยหยุดจุดหัวข้างปะชานี่ยแบเหมือนกันไปสะดุ้งกับในกลางปะชาเปนว่าทำมาฟาดกันอย่างหนักเลยจรินๆทั้งพลิกกลับขึ้นมาได้ ไม่กลับก็เอาให้ตายกันเลยไม่ให้ตายอย่างอื่นให้ตายด้วยความเปลี่ยนกันว่ะคราวนี้ให้ตายด้วยความเปลี่ยนกันวาะเไม่ให้ตายอย่างอื่นนีกจะให้เป็นไปอย่างที่มันเคยเป็นนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วครานี้เลยตัดสินลงถึงถึงตายกันกับความเพี่ยนแล้วเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ทางานนี่ต้เด็ดเหมือนกันนะแล้มันพูดคู่เข้มเข้มขนเหมือนกันเพราะมีสองกับสองกับผมไปถึงเรื่องแรก คุยตั้งแต่สองทุ่มถึงห้าทุ่มวันคำสองวันคลบสองตั้งแต่สองทุ่มถึงหกทุ่มวันคัลบสามวตั้งแต่สองทุ่มถึงตีห่ก็คุยไปอยู่สามคืนมไมทั้งทั้งแปดคืนท่านก็ยอมลํำกันนะโอ้ผมเสียดายเวลาจีบไม่ค่อยเป็นไปจึงมาเลึกคาที่พระมหาเทให้ฟังพูดเห้อฟังคนาธรรมะกัน เวลาทาไม่เป็น ใ, นใจมันระลึกไม่ได้น่าเลยพระเสมาพุดผมไม่ค่อยเข้าใจนะทางลางพอพูดถึงทำขั้นสูงไปผมไม่เข้าใจผมงงไปเรื่อยๆทางลางนนี่นหะแต่ผมก็ไม่อาจพูดอะไรตอนนั้นมาีแต่ฟังเสมาพูดแต่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องทางลาง น, นี่แหละพูดธรรมะละเอียดแค่นี้เวลามาเป็นขึ้นมาเป็นขมานี่ไอ้ธรรมะเสมาพูดนั้นอพอมันเป็นก็จะอันนั้นขึ้นมาพุกขึ้นมามา ร, รับกันรับกันรับกันยอมรับยอมรับเลยทางลาง ท่นที่ท่านมาพากเรองนอแซงนี่อาจจะมาสารน้องแสงาาก็พูดเป็นเรื่องธรรมะธรรานการแจรงเรื่องขันห้าตลอดถึงวิชาไม่มีผมที่ผ่านมานี้ผมไม่เห็นหนังสือเล่มใดที่จะเป็นเหมือนที่จะืองได้อย่างละเอียดแล้วถูกต้องไม่มีที่แย้งภายในจิตเลยเหมือนหนังสือธรราะะผมเอาเร่องนี้บบเป็นแว่นส่องใจผม เวลาผมติดขัดเนะ่ผมมาค้นดูหนังสือรรมะท่านหนั้นที่ดูตอนที่ท่านไปผ่าผ่าตัดอะไรลูกอะไรตอนลูกหมาโตไปผ่าตัดที่เพื่กลับมาเราจะเช้ามาส่งตามส่งมาถึงจังหวัดเลยแล้วก็ท่านมานี่ก็ฝากคำ คือผมเลยไม่ลืมนี่ฝากความคิดถึงไปถึงท่านมหาบัวด้วยนะหวังท่านมหาบัวนั้นเป็นอาจารย์นวัดตมานาหวังวาาาา่ามากปากคำมาก็มาพูดอยอุยทำไมายังพูดอย่านี้ะก็ท่านพูดอย่างนั้นนี่นะก็เ้ใจผมว่าไงท่านสั่งมาอย่างนั้นกุกวางนะโอ้ยาก็สะดุดทันที ท่านอาจารย์ท่านหมหาบัวเป็นอาจารย์ของอรตมานะวางงนเราพูดคืต้องทำก็ถูกเร า, าูดอายุบรรษาอาโศบันเตรเราไม่ได้ถนะูกต้องนั่นธรรมะก็เป็นนั้นว่าเราเคยสนกาธรรมาพอแล้วแต่ข่าวที่แลกปีไหนนะปีพ2 0 2ด้วยไหนนะอย เห็นหนังสือน้อยถามกันเดินถามปัญหาเลยที่ตอบได้ดียี่แน่ใจว่าท่านผ่านเรียบร้อยแล้วต้องแน่ใจผ่านเพราะถามจุดนี้ดัง น, นั้นถ้ามันปิดไม่เป็นตอบไม่ได้ไม่มีเท่ากายวิดก อ, อนีอนี่ไดผู้ปฏิบัติหลักปฏิบัติเท่านั้นเองเม่เห็นนี้เองือว่า คืว Monate, mm. ่าในธรกันยานุบ mm. ุญชนไม่สามารถจะแก้ป yes, ัญหาของพโซดาได้พโซดาไม่สามารถจะแก้ปัญหาของพระเศรษาคาได้พระเศรษฐาคาไม่สามารถแก้ปัญหาของพระอนาคามได้พระอนาคามไม่สามารถแก้ปัญหาของพระทหารได้แม้พระทหารก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาของอักษรบกซ้ายขวาคือภาษาดูดมุกกาได้ที่นี่ก็แม้พระษาดูดมุกกาก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของผู้เจ้าได้นัเป็นขั้นข้างหนึงตามภูมิ ม, มีไม่ทํเพามันเป็นเครเป็นเคร็เป็นเคร็ดจรงถามถ้าคิดไม่ผ่านคิดไม่รู้ตอบไม่ได้เพราะงั้นการปฏิบัติจึงมีความจําเป็นกับครู ก, กับอาจารย์มากมายมันเป็นช่างประจําความเลยว่าสอนคิดหนึ่งนิดหนึ่งไม่ได้มันเป็นการประกาศภูมิ ของผู้สอนให้เห็นให้รู้สอนผิดผิดนิดหนึ่งก็แสดงว่าผู้นั้นไม่รู้นี่สอนซุ่มดาวมาได้หลยผู้ผู้ขนาด น, นี้ยังมาสอนเราได้หนังมันรู้แล้วนะเนี่ยทํำปฏิบัติถึงขั้นละเอียดประสาทผู้สอนต้องเป็นผู้รู้เหนือผู้รับการอบรมมันถึงจะยอมรับกันได้แต่ผู้สอนความรู้ต่ํากว่าผู้เมาลม มันสอนไม่ได้ทางาคปฏิบัติมันมันเป็นมันเฉพาะจริงจรตอบผิดนิดหนึ่งไม่ได้ผู้ปฏิบัติคือรู้ผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะผิดได้อย่างไรพอพูดมาคำใส่ปั๊บเดียวทันนี่ยก็ผ่านไปแล้วรู้ปั๊บปบเล ย, ยมันมีเครื่องขัด ภูมิปฏิบัติภูมิเฉพาะเฉพาะอาจะภูมิพะยะกว้างๆมาพูดมันก็เหมือนกับทุ่มยาทั้งตู้ใส่คนไข้นะตายจะกิน จ, จะหายโรคมันตายภูมิของทั้งตู้ยาหนึ่งภูมิปฏิบัติเป็นผู้ปีเนียไหนมันรู้หมดเพมผ่านมาแล้วทั้งนั้น ทนัน้่าอีก็ทีันด้วยใบทีนั่นแต่แปลกกันทำลีนกั่างกานีนะทลช่างการิดนหนึ่งเหมือนกันนู่นจะเป็นมีทั้งหมนู่นนะทำลีนเป็นตังอยู่กับผมห้ยสายเป็นเรื่องเรื่องการคิดการค้นการพิจารณาไม่มีเวลาว่างเลยั้งดนั้น ก็เป็นได้เลยก็บวชในงานศพของท่านขอแม่ครูจนันเราเนี่ยมันบวชในงานศพปี93ก็มาจำารรษายิน94ก็ไปจำม้วยสาท่านก็ไปอยู่ด้วยห้วยสาย94เป็นได้เลย ไปสําคัญตัวตอนนึ่งก็จะวัคซีนไปพิชไปในเอาแก้ได้ตามแตะตัวปฏิบัติจริงๆมันก็มีอยู่นั่นแหละผู้ทรงมกักทรงผลที่กล่าวมาเหล่านี้ล้วนแนี่ยแต่ผู้ทรงมกักทรงผลเนี่ยตรงนั้นผู้แหวนเนี่ยเราได้เข้าถึงแล้วเราถ้าเข้าถึงแล้วเท่านั้นแหละถึงมันตายก็ไม่มีรถ ไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปถ้ายังไม่เข้าถึงอ่านยังอยู่นั้นนะอาชวาคูอาจารย์นั้นเป็นไงไงก็ตามอยู่กลางๆนั่นแหะจะตำหนิก็ไม่ใช่จะยกยอก็ไม่เชิงอยู่กลางๆจนกว่ารอเวลาที่ให้เข้าถึงตัวก่อนได้พูดต่อปากต่อคำกันอ่างเต็มที่อารักที่นี่ขันใดภูมิใดก็เป็นตอนนั้นแน่ใจ นี่กั้ขาเราปุ๋ยนี่เอารวมกันเราตั้งขานราฟาดถึงสี่ชั่วโมงเ <c oughs> ต็มที่เต็มเหนียวปุ๋ยนี่สี่ห้านาทีไม่เอามากนจุดสาคัญสาคัญยี่แยบเข้าไปเลยท่านตอบผึงมาเลยแยบพออีูท่านตอบผึงคาวรังนี่ผมฟาดแล้วเท่าไหร่สามห้านาทีที่แยกถึงสิบนาทีเพางั้นท่านพ อ, อู่แล้ว อะธนาหรั่นไม่ถูกที่ไหนสนาค้านนะแต่ผมไม่ค้านก็คุมหาอย่างนี้อย่าว่าลยเสียอีกจากนั้นทางเนั่นแหละคุยกันแ้างเนี่ย่อนั่นแหะคุยกันแล้วยงถามมาอุบายจารย์ทางแต่เหล่านี้ถามมาเป็นลำดับลำดับโอ้นั่นแหละคุยกันแล้วยังโอ้นั่นแหะคุยกันแล้วยาง นั่นก็มายถึงปัญหาขีดอื่นเนียไปต่อยครูบาอาจารย์ยังไงบ้งคงจะว่างั่นแต่ไม่อย่างนั้นท่นจะพูดอย่างนั้นหรอคุยกันแล้ันัคุยกันแล้งคุยกัน่านเพียงสี้านาทีแล่านัได้ความออกมาถามเราอีกแพอปัญหานี้มันไม่มีแล้วคีรบลัน ปัญหา่านตอบก็เหมือนกันอีกไม่มีคอมพีบรนานเหมือนกั น, น, กนมีในหัวใจนี่ฟาลงหัวใจนี่ตั้ใจปฏิบัติก็ต้องได้ทรงมรรคทรงผลอั่ว่าตั้งใจหมหวนมึ่ทำไม่ให้โลกเข้ามาเหยียบย่าทางายจิตใจ ยกแต่ทําขึ้นเสมอเสมอเป็นกับตายหนักกับเบาก็พยายามยกทําขึ้นเป็นเครื่องป้องกันตัวอยู่เสมอแล้วยังไงก็มีทางที่จะส่งนักสมงผลได้เป็นลํากลบา ก, บากมุ่ต้นก็ลําบากบ้างเป็นธรรมดาไม่ว่างานอะไรพวกเราไม่เคยทํามีก็เคยพูดทั้ำๆมาลูกกี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วยากลำบากก็ยากเพื่อความสุขความเจริญก็ลำบากตัวเอง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 ได้ยินนันพูดถึงแต่นันเราจับเมื่อนีอปืนเผาศท่านจากย์คงหมามันก็หลายปีมาแล้วนี่ผมประทบอยู่ที่นบ้าน<ม>ท่านาเวนท่านตอนนั้นท่านไปดกหัวใจหมอหมอห้ามเยี่ยมแต่ที่นิสัยท่านเป็นอย่างนั้นไม่มีคนมาเยี่ยมท่านก็มีพระไปคุยกับท่านอยู่ตลอด<ม>ลสององค์สามองค์นันผมไปอยู่นั้นผมไปน่นเจ็ดึงสองคืน3าคืน ผมจะไปถามเมื่อไรพูดเมื่อไรก็ไม่มีมอะไรจะพูดตานี่ต้องเดพระนี่ตมอุทมานี่ต้องพูดเฉพาะสองัวแต่ผมพูดใน<ม>นั้นมีกระแฟริมันทั้งนี้เสร็จ ป, ปุ๊บเลยพูดถึงานันกันเหื่อยในงานสบขอคแม่ครูอาจารมากับ คือมันมันเหนื่อยมันเป็นอะไรมันโลกเนี้ยเอิดอักขีจากนั้นมันก็ทั้งกับเป็นโรคหัวใจเนี่ยตอนที่โรคหัวใจเนี่ยมันจะไปปีนกลางกลางอย่ามันอะไรแล้วมันก็ลมหายใจเหมือนไม่มีที่เวลาเราเป็นเราเข้าใจอย่างท่านว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงบางทีเหมือนกับลมหายใจไม่ออกกะมุนหายเงียบไปเอมันนม่มีลมเลยคือกําลังภายานใจมันหมดกําลังที่จะสูบลมหรืออะไรกันไม่รู้ เหมือนไม่มีลมนี่นมันจะไปที่เนีหรือว่าธันวางหมืนปะมีทุกเวทนามันละเอียดก็ไปเรียดไปมันบีก็ไปบีเข้าไปบีบเข้าไปอื่ลมหายใจตอนนั้นมันจะไม่มีมเหมือนก็ว่าบหกวาใจมันจะหยุดทางานเราก็มีหลักรานยานแล้วเพราะเราก็เป็นนะครเป็นที่หลังท่านเรามาพิจนารณาได้ทอมอื้ นั่นแล้มันเป็นไงจะไปนี่เหลือแต่ปลาปรากฏว่ า, ววามันลงเหลือตั้งแต่ความรู้ถันวานนะตอนจะจำได้นะความรู้มันใส่แก้วคอยจ ะ, จะออกคำ ว, ว่างั้นมีแต่ความรู้อนเดียวอเรื่องลมเรื่องลายหายเรื่องหลดมีแต่ความรูม้ใส่แก้วนั่นถันวาน แล้มันก็ไม่ออกทันวามินนะมันก็เลยค่อยฟื้นกลับมาเราหายใจก็หมดปรากฏว่าไม่มีลมแล้วบางท่านที่เราไม่ได้เข่าสมาธิชอบละลายทันว่ามั้นน่ะแต่มันหมดกําลังของหมอกใจนี่แหความรู้นั้นคอยแต่จะออกทันวามันไ้เจ้โอ้อันนี้มันกระสือปับขึ้นมามันผุดขึ้นมาหนังตายอยู่นี่เหนื่อยว่างั้นนะ มันัตายอยู่นี้ลเลือนี่วะยังไม่รู้บ่อยอพบหรือนั่นนี่อย่างนั้น <ừ. S 1> นะเราะเรเป็นมาพอแล้วนี่มันรู้หมดนี่ใส่แกวเคยแ๋วมาพอแล้วแ๋วจนเจ้าของอศัศจรเจ้าของวางก็ น, นี้แล้วคือความใส่แ๋วนี่มันทำให้ติดให้พัน คอยอินไม่มีอะไรเสมอมันเลโอ้โหจิตต้งอัจฉริยะขนาดอัจฉริยะขนาดนี้อยู่นั่นแหละเออร่างกายมันก็ว่างไปหมดเลยเหลือแต่อันเดียวพอท่านพูดไปงั้นมันก็เข้าไปปั๊บกับนันใช้เขี่ยนพูดปีอนพรอมศท่นอาจาย์ ผง ม, มาต้องเป็นศูนย์ห้าศูนย์หกนะโอ้ศูนย์หเพราะผมประเทศผมผมเริ่มเป็นโรคหัวใจบนธรรมะวัดทําโดยทํามจิดีผมจำได้นั่นแหละเริ่มเริ่มแรกที่เป็นโรคหัวใจผมกาลังเทศกําลังเร่งเต็มที่ธรรมะแล้วมันวูบวาบภายในหัวใจทันทีวูบว่าบเป็นอะไรพูดไม่ถูกผมหยุดเทศทันทีนิ่งนั่น ใครก็ต้องงงเลยเพราะเทศมันเหมือนน้ํำหลายไฟสว่างไปนี่มันเบลอแล้วหยุดตึ๊กเฉยนิ่งไปันสิบนาทีละมันตื่นมาพอตนั้นแล้วก็เทศตัวนี้ก็บปาโ ก, กเป็นคนใหม่เพื่อได้เป็นก็เลยลงจากนั้นมาก็เป็นเรื่อยตั้งแต่นั้นผู้ออกจากวัดท่านาาท่านจารย์ตนพุ่ก็ไปวัดท่านจะจารยมันไปนาน ปีนั่นปี น, นั่นเล่าผมฟังเั่ระกลุ่มนั้นเราก็ฟังอย่างเต็มหูเต็มใจแต่นั้นมาก็ไม่คุยกันอันนีตรวพบอ่ะอตัวอะไรเนาะพอนั้นผ่านแล้วมันมีอะไรมีที่ไหน ใ ส, ส่กม็มีเสาก็มีนม่งมันมีทั้งใสทั้งเสามันมีสิ่งที่จะให้ติกพูดยังไส ง, งสาย่มันก็ติกนึกติดความใสความสว่างก็กต่างแย่งรักความสมหวนงมั น, มนติกตรงนั้นเพราะมันมีสิ่งให้ติกจิตมันชอบจะติกอยู่แล้วปกติมันติกอยู่แล้ว ไม่มีอะไรมีเท่ากันก็ยิงติดแต่นั่นยิ่งเป็นของละเอียดยิง่งติดดีติดจงแกไม่ออกพอผ่านแล้วมีมอะไรมีหลองขันนี่แบบกระดูกเหมือนเราแบบกระดูกไปแบบกระดูกไปแบบกระดูกมาอยู่ มันรู้ว่าเราแบกมันละขันเหมืนดูประขันเป็นต้นเราพาไปพามาเหมือนกับว่าแบกมันไปแบกมันมามันก็ม่รู้ว่าเราแบกมันเป็นธรรมชาติของมันแต่ละอย่างละอย่างทำงานของตัวเองไม่มีความหมายตัวเองเลยเราเป็นติดอย่างว่ารับทราบมันมีรับทราบมันธราไม่ยึดมันแม้ก็สนุกพิจรนามันนะท่จริงอือเอาไปถือว่ามันเป็นเราก็แล้วไม่ได้นะ ือพิจารณาตรงไหนก็จะไะเจอแต่เราไปเจอแต่เรามีแต่เราไปขวางอยู่หมดหาที่หาช่องไปก็ไม่ได้พอถอนเรามาเสียแล้วมันก็เห็นกันอย่างชัดเจนขันรูปขันเหมือนกองกระดูกถ้าว่าเราจะเทียบนะแต่จิตมันจะไปสําคัญอย่างนั้นจริงมันก็ไม่สําคัญจิตไปสําคัญหาอะไรก็เหมือนกับสมมุทต์ทั่วไป จริงไก็จริงนะเนื้อหนังเองก็ดูเขาว่าอาจารสมมติถ้จริงกางของมันอยู่ธรรมดาถ้าเป็นผู้ตามหลักธรรมชาติแต่ถ้าเราจะแยกออกมาจนอย่างเราแยกออกมากเป็นสมมุติประเภทหนึ่งขึ้นมาให้เป็นข้ออัดข้อทำเมื่อคำว่าเรานั้นถอนตัวออกมาจากขันมีเสียขันขันนี้มีรูปประขันเป็นต้นมันก็เหมือนกับกองกระดูกเหมือนเราแ บ, บกกองกระดูกไปมานั่น คื อ, อกองก็ด <im Alto> ูก ah, ับเราเป็นคนละอันเหมือนกับเราแบกฟืนแบกอะไรหรือเหมือนคนแบกศกไปนั่นแบกสกคนตายไปนจะแยกในรัฐประเภสมุนที่ดีมีเยกเป็นข้ออัดข้อทำเป็นธรรมเทศนาอเป็นอุบายถ้าไม่เยกเป็นหลักตามหลักความจริงของจิตนะมันก็ม่มีคาพูดเที่ย ผู้โดย来อะไรก็กินอีกินอีก็ต้เมื่อไรคิดเฉยไปสําคัญเขาอันนั้นเป็นนั้นนั้นเป็นรูปนี้เป็นเสียงนั้นเป็นกลิ่นนี้เป็นรสออนนั้นเป็นหญิงนี้เป็นชายข้าของมีหาเป็นสอบเปลี่ยนโเรียนกัเหมือนนันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เรายังไม่เห็นไม่ได้ยินมันก็มีอยู่นั่นเราเห็นตืเห็นตื่ได้ยินเข้ามาก็นําอารมณเข้ามาพัวพันตัวเองตื่นลมเหมือนตื่นทั้งขามือนของตื่นทั้งยาเหมืของ ตื่นนอจะของยุ่งอยู่กับอารมณ์เรียกว่าอภิตารมมันไม่อยู่ตรงนี้แน่จิบธรรมยาเมือมันทันนะมันพลยมันขึ้นมัพับมันก็ทันของมันหมดจะว่างไงในนั้นจะเรียกว่ามหาสุนับญาได้เลยพอมันแยกออกมันก็ทันมันเสียแยกออกมาจิตใจนี้มันมันแยกออกมามันมาปรุงจะหลอจะของมันก็รู้สช่มันก็ดับพร้องเสียเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาพเป็นเพื่อเป็นเรื่องเป็นลาไปได้เลย นี่ถ้าสติปัญญามันทันได้อย่างเดียวเท่านั้นมันเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็เห็นได้ชัดเลยที่ว่าเรื่องสังขารือสัญญานตัวหลอกที่สุดหลอกทั้งวันทั้งคืนหลอกอยู่ตลอดเวลาอคนเราอยู่ด้วยอารมณ์มีนะถ้าไม่มีคาเป็นอารมณ์แล้วมันก็ต้องเรื่องเหล่านี้เป็นอารมณ์แหละเรื่องโลกเป็นอารมณ์จนได้ตอนนี้เราไม่รู้สติปัญญายังไม่ทันพอถึงขั้นสติปัญญาทัน มันถึงจะยังละมันไม่ได้ก็ยังไม่ขาดจากกันจากเด็ดขาดก็ตามนะมันก็ทันก็รู้นั่นแหละรุ้นเพื่อมันจะขาดทั้งมันเลยนะภาพเรื่องหญิงก็ตามเรื่องชาก็ตามเรื่องอะไรก็ตามขึ้นมามีนจะเรื่องของใจมันออกตรงนั้นอาศัยอารมณ์อดีตมาปรุงขึ้นเป็นปัจจุบันของตัวเองหลอกตัวเองพอมันแยกออกมามันก็ดับทุบกดับทุบมันรุ่น พระญาตของมันก็ปุกสติปัญญาพร้อมพร้อมพร้อมรู้พร้อมดับพร้อมดับพร้อมมันก็มีอะไรเนะจึงเราจึงพูดได้อย่างเต็มปากว่ามันก็ไม่มีแต่เกิดกับดับเท่นั้นมันมีอะไรเนี่ยสั้ขานตุงแยกประดับไปพร้อมเพรียดพร้อมเพรียพอไม่ต่อเนื่องจากสติปัญญามันทันมันต่อไปได้อย่างไรทันหมดแล้วมันก็ไม่ต่อแต่นั้นมันก็ขาดกันรู้จะทัดมันก็เยอะอยู่ดวงใจ ขาดนั่นอีกแล้วมันก็หมดปัญหามีปัญหาทัองปวงเลยเป็นอนนันบ้ายุติกันโดยประการทัองปวงเลยกวรนานึ้อ อ, อกนางสร้างโบสอ์มาถามธรรมะหลายข้อเหมือนกันว่ามีกิจการงานมากทำงางภาวนาจ้รวดเร็วแ ย, วย่สะดวกสบายยังไงก็ พระพุทธเจ้าก็เป็นถึงพระมหากษัตริย์สักหนึ่งจะมีธุรลมากหรือไม่มากที่ดู่ที่ลงขนาดมหากษัตริย์แล้วเห็นได้พระองค์ทรงทําได้เราถึงไม่ทําแบบพระพุทธเจ้าทุกข์เบียร์ระตามก็ควรจะมีเวลาปิดตัวทําได้แบบฝึกมีครูก็ยังดีเราวังโอ้ทั้งงานนักขายงานกันเหลือมือเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนเวลาท่านเป็นกษัตริย์ เราบาายสอนนะก็ต้องหาวุบายพิการเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างนี่ไม่งั้นมันก็จะเกิดประโยชน์อะไรเราก็จะบ่นให้แต่งานยุ่งนั่นดุงนี่ก็ามเห็นเกิดประโยชน์ถ้าเราไม่ปลดไม่เปลืองบ้างเพื่อตัวของเราเองเรามันรับผิดชอบเราปฏิบัติให้ได้ต้องไปฟังเกี่ยวกัเคยมาหา Ừ, แต่ผมก็ลืมไปและเกินลืมหน้าห่างจาได้นานาวอภมิมันเป็นหน้าของลุ้มเป็นหน้าของสมเด็จนคง่งคง้นหน้าของกร อ, อยู่หวะผมลืมไตามธรรมาหน้าธิบายธรรมะเราแล้วให้นังสือสลุ้มนละกสามเล่ม ประวัติปฏิบัติธรรมด้านจิตใจเขยังมีเหลืออยู่นั้นบมื้อเช้านี้กรุงเทีย่ยวพนิ ก, า, การมาหารสีคนก็น่าที่จะเขาปฏิบัติอยู่ที่นี่ไม่มีเราระลึกไม่ได้อยู่ที่กุฏินี่น่าจะได้แต่จา ก, แ, กแต่นอกจากแต่จากเล่มก็ยังดีเขายืมมาอ่านกันได้แต่เราก็ลืมสะหนิเขายังว่าเขาจะพยายามมาติดต่อเวลามีหนังสือนี่มาประวตินี่มา หมดเรื่องนสือจะทำาเพิ่ขอมามากมายข้าราชการมันต้องอมีมมงความเครียดการเคียดทางร่างกายเราก็เครียทางจิตใจยิ่งเรียไปต่วเรื่อง่อมันจะทำให้เรางงขนหนุ่มกันนะแต่พอนิสัยที่ใช้ปัญญาอยู่แล้วมันมันไม่ด้เบิดตัวไปพอ สองนาทีพอนาทีอะไรอย่เงยก็พิจารณาตอนปีสามนั่นแหละคือตอนตอนตอนรู้สึกสงักนั่นแหะมันมันสนุกพิจนาปมันมันเหมือนกับน้ําไหลดินน้ําซัดน้ำพุเลยนะปัญญาคั้นนี้มันจะไม่หยุดเลยมันหมุนมันจิ้วซึ้งซึ้งพิลายนี่มันไม่แบบผัดผลเหมือนอาขั้นพิจนาสุขะ อนุภาพนี่มันขาดผาดผลมากผุ่นผุ่นจนกระทั่งเหมือนก็ว่ากายเราไหวไปตามปัญญาขั้นนี้เพราะที่เลือดขั้นนี้เนี่ยมันพอเหมาะกันนีพอเข้าไปถึงนั้นต์้นี่ยที่ละเห็นดมาละเอียดไปพสติบัญญามันก็ละเอียดต่างไปมันไม่ผาดผลมันน่ะไร้เดียงสาตลอดไอ้เนี้มันมีอะไรปรากฏคือสามก็เลยอภิชาเขาตมองมีที่หมดอะไรก็หมดแหละ บกลูปบกเวทนาสัญญาสัญญาณวิญมยันที่นาอะไรมันกบเข้าใจหมดมันไม่ยอมรับมันสนใจตั้งแต่จุดนั้นกับที่ยัดออกมายัดออกมาเป็นร่างขานยัดมาพักมันดับเพราะยัดมาพักดับดับเพราะับเพราะวิญญาณมันทันเรื่อมันติไม่มีวาล่ไหนที่มันจะเผยตัวไปได้มันเป็นหลักธรรมชาติทั้งหมดโอ้สิ่งนี้เออมันก็หนดอเอวิชาไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันมีลักษณะ มันเป็นแล้วขนาดถ้าเราจะ็นรูปเปียบขึ้นมาเหมือนมันแสดงนี้ให้เราเห็นจับปั้งแล้ววางจับปั้งวางก็วบบคือความรู้มันก็แฝงเพราะปั้งจับปั้งนี่คือเกิดพอวางปล่อยนี่ปล่อยมือนี่มันตายก็จับปั้งเกิดตายเกิดตายเกิดตายอย่างนี้อหมือนเข้าใจแล้วนะทีนี้พอปล่อยพักนี่ไม่จับอีกคือดิ ไม่ใจอีกคว่าตายแล้วมันไม่เกิดอิเพรงั้นก็เกิดมันไ่จับไม่ไปเกาะเขาเาตายเอันปล่ออัปล่อยจะขึ้นได้หรือหวานขึ้นไม่พอนั่งมันข่เนาะขึ้นถ้าว่าขึแล้วทำไมสงไถ่นันมันแฝกกันปั๊บพอาันปับมันก็รู้ได้สตเฉียวอย่างไม่ขิ้นานในขณะเดียวนั่นแหละมันทาให้เ่าเล่นได นั่ไม่จะ่สิ้นแล้วหรอกอันนี้็พุ่ขึ้นมาเลยมันขึ้นเองนถ้าถ้าเศ้าถ้าว่าสิ้นแล้วทำไมลงสัยมันก็ข้าใจงีว่ายังไม่สินี่มันเคยหลอกมํากันนะแต่มันขั้นไดขนาดเดียวยงนั้นมันก็เพิ่เพแบบกลับมาคุณวันดอบวมนะเจอไหนี่แหละเนื้มันหน่ะคุณมัคันเห้ือนเนแล้วมับกขึ้นขา วัดดอนนันก็ไหลมัน อ, อยู่ไหมเริ่มงคืเรื่องต่อมนแบบมันไปเรื่อยกันนั้นก็อยู่วัดดอมันเป็นที่วัดดอก็แบบไปลงมาแล้วก็ขึ้นที่วัดดอยแบบพาละวอ มันอะไรนั้นก็มีที่ทำอะไรนั้นก็ปล่อย้วไม่ถ้าคนเดียวเท่านั้นเรียกยี่เย็บยี้ย็บอยู่ออกจากความสว่างคือจุดนี้มันจะตาจมูกมันอยู่นั่นแหะถ้าเราแก้ไม่ตกนะความสว่างมันสายตายตัวแต่มันพ้นนิสัยสฏิปัญญาไปไม่ได้เพราะปฏิปัญญานี้ถึงจะลืมตัวก็ตามในขณะนั้นแต่การทั้งเจตมันไม่ถอยนี่มันเป็นคู่กัน บีเป็นลักษณะเขาเาเช้ า, ชาตามขนมคุภ ข, ของกิตเ<ม>นี้ยแใส่แล้วเศร้ามีลักษณะเศราแต่เศร้าก็เศร้าอย่างละเอียดฮะไม่พ้นตรศิลป์บัญญาตนี้ไปได้จับพอจับพื้นได้ทั้<ด>งทั้งที่พยายา ม, ม, ามาระ ม, มัดระวังรักษาไม่มีอะไรมาแต่ต้องนี้เลยมีความหยุดมันถึงความพยายามรักษาพระรักษาอริยาน ถูกเรื่องมากกระถูกแต่ว่าเรื่องวิชาก็ไม่ผิดเรื่องมัะของมหาสติมาปัญญาเนี่ยมันเผอตัวได้เพราะมันอาจารย์ขนาดนั้นแน่ะนนที่ดูที่จึงขนาดสติปัญญาขั้นที่สงูงจึงต้องไปรักษามาันไม่อยากอะไรมาแตะมาต้องอะไรเมื่อไรนีส่ ốc, สระป ốc, ุ๊บสระปุ๊บสระปุ๊บเลยอยงนั้นเละสติปัญญาขันนี้มันรวดเร็วอะไรเข้ามาพัด ไ, ไปเลยพัดไปมันรักษาตอนมันเผอเผยได้ อย่นี้มันก็ไม่พ้นเพรามมันไม่มีใครเลอดยามันไม่มีงานทํำเลยข้างนอกไม่มีอะไรมันต่อยหมดแล้วมันไม่สนใจแต่แล้าพี่นามันไม่ยอมรับทำานเป็นเรี่องมันพอนี่มันจะจักใจกันมันก็มีถึงเลี้ยบเยบเลี้ยบเลยบเลี้ยบระดับเลียบดีเกิดดีขึ้นก่หนับชั่วกระดับปรุงเรื่องอะไรมีแต่เรื่องเกิดเรื่องดนักมีเท่านั้นไหมมีอะไรมันช่าเจงอยู่างนี้แต่ผลที่มันเปลี่ยนให้เราได้สื่ใจมันมี ไตแล้วก็คือคือมันไตเด่นขึ้นไปอีกก็มีแล้วมันค่อยค่อยเศร้าเข้ามาตามขั้นของมันละเอยดละเอียดละมันก็จับได้นี่ทําไมถามว่ามันเปคค็นของจรมันทําไมต้องเป็นอย่างนี้เนีวะจากนั้นก็ถอยแล้วนั่นย้อนเข้ามาะสี่นั่นสติปัญญาที่รักษามันรับกลับเข้ามาต่อสูม้มันแลมามีไฉมันมน่ะตรงเดียวถึงเป็นหลายหลายอย่างนะกว่า เดี๋ยวว่าดีเดี๋ยวว่าชั่วมันเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์เดี๋ยวยว่าผ่องใสและเดี๋ยวว่าเศรหมองแต่มันเป็นความละเอียดของมันนะไม่ว่าสุขก็ตามทุกข์ก็ตามเป็นความละเอียดตามขั้นของจิตเท่าก็ดีใส่ก็ดีสุขก็ดีทุกข์ก็ ด, กกดีมันเป็นความละเอียดของจิตแต่ให้จับได้ตลอดมันก็เอามาวิจัยทำไมจิตโดนเดื่องจิเป็นได้หลายอย่างนะวะที่นี้จอดทนเป็นได้หลายอย่าง ก็จ่จอไปผดขึ้นมาทำหรืออะไรก็แล้วแต่จะพูดละคำว่าใสก็ดีคำว่าคำคำว่าผ่องใสก็ดีคำว่าเศร้าหมองก็ดีขึ้นมาโอ้โหเป็นบทเป็นบาทนะคำว่าสุข ก, ก็ดีคาว่าุก ทุ ก, ก็ดีคำว่าผองใสก็ดีคำว่าเศร้ามองก็ดีทำสองเง น, นี้เป็นอาตารนะว่าอย่างนั้นขึ้นพอว่าอย่างนั้นมันจึงเป็นเหมือนคำว่าภาพอันหนึง่งที่มันขึ้นกับเป็นข้อเทียบเทียงกับนั้นเหมือนจะว่ามาเ้ามาเ้าเนี่ยมีปลาเดียวเนี่ยมันออกทั้งสองหนอ น, นอนึ่งทางเศร้าหมองห น, น่นอนหนึ่งทางป่องใสนอนหนึ่งทางสุขนอนหนทางทุกข์เปือยง่าย เป็นตักษณะทั้งสองเนี่ยมันมันขึ้นมาจากกระดาษเดียวนี่คือขึ้นทั้งสองอย่างนั้นมันขึ้นมาจากใจดวงเดียวนี้จากอนัตมชาติอันนี้อันเดียวอนี้อันที่ว่าเป็นหลักฐานได้ใส่พอท่านี้ขึ้นอย่งนั้นปั๊บอันนั้งงกันเราตรงนั้นน่ะแต่ว่าพิจารณาอะไรอยู่มันก็ไม่ใค่นะแต่ว่าจออยู่ในจิตดวงนี้ก็ไม่ชนงนี่ตรงนี้กลางๆจริง เราจึงยอมอยรโนโนอับจังหวะนนท์อียบุตรสีคือตอนนั้นทาาา่านจะอะไรท่านก็ไม่เชิงพิจารณาอะไรก็ไม่เชิงจะถือเดินไปข้านอกก็ไม่ไปคิดตรงนี้ไม่ไปละไปอย่างนั้นอ่ะจะจดจ่อทํางานอะไรแท้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ จ, กจิตก็อยู่ในจังหวะที่กําลังเฉยๆธรรมนาจะว่าจ่อนนี้ก็ไม่เชิงจะว่าทําอะไรอยู่ก็ไม่ใช่มันอยู่ธรรมนาเหมือนกลางๆในขณะนั้นมันถึงได้พบขึ้นเล ไอ้นี่คือว่าเป็นหนอง้าออกจากข้าวกะลาเดียวมันควน่ำนลงเลยพอความพุกไปพร้อมเลยหมดเลยดวงสว่างนี้มันก็ไปก็คือดวงสว่างนี่แหละมันไปกระจายหมดจีตสว่างอาจจัศจรรย์นี่แหละคือข้าวข้าวต้องหลุดเลยทานหน่อดีชั่วสุขทุ ก, ทกเป็นคู่กันมันก็เกิดจากอบบ น, นี้มันก็ไปด้วยกันของพ่อ ว่าปุ๊บนผ่นานเลยหายพอ้องไปเลยอะไรจริงหลัจากนั้นแลมีอะไรนั่นหละความอัตจันทร์แพ้พะ อ, อันนี้กองที่วางนี้ถูกปัดออกไปทอนนั้นอันนั้นคืออะไรนั่งจริงอัดจันทร์แท้จริงได้มาเห็นโทษของนี้นโอ้โหมันก็เหมือนกับกองที่ว า, วางกองหนึ่งดีทำไมจะไปหลงมันโอ้โหโอ้โหอะไรส ความสลดทั้งเวศเห็นโพษอันนี้ก็เห็ น, น, นคุณค่านั้นก็ถึงใจทุกอย่างอโอ้อยาหาอยู่ไหนหาทำทำอยู่ที่ไหนนี่ทำอยู่ที่ไหนอัโทอัททางอุทานนะคุณง่ายอโทอัททางอุทานนะโอ้โหเกิดความสลดทั้งเวทอย่าื่องความหลงตัวเองนี่ก็สลดทั้งเวศถึงใจความรัชย์นี่ก็ถึงใจทั้งสองอย่างเข้ามาถึงใจแล้วน้ําตามบรรลุงอยู่ได้เลย อืแล้วจะว่ า, วาหงอก้องให้อะไรอหัวเราะมันก็น้ําตามันก็ร่วมถูกพันไฟน้ําตามันก็ร่วงองตลอดสังเวชมันน้ําตามันก็ร่วงแต่ธรรมชาตินั่นไม่ได้เป็นอย่างนี้นาอนนีม่ ม, ม, มันเกิดที่แรกเห็นที่แรกมันเป็นของอัศจรรย์จะบอกอะไรไม่ถูก เพราะเวลานั้นเรายังไม่สนใจว่าจะคิดกับเรื่องอะไรกว้างแค่ขนาดไหนไม่ได้คิดอะไรคิดถึงแต่เรื่องที่ปรากฏในปัจจุบันนี้ขณะที่ตะวระหว่างมันหายไปอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็มาเทียบเทียวถึงเรื่องตัดเรื่องบุคคลเรื่องเพื่อนสูงเรื่องมนุษย์ทั้งโลกปฏิ บ, บัติบัตรเพื่อทอําตรงนี้นะ <c oughs> น่ะเกิดความท้อใจเพราะเอาหลัก ผลมาพูดเกิดถึงผลแมาพูดไม่ได้พูดถึงไม่ได้คิดถึงเหตุโอ้องขนาดนี้จะไปสอนใครได้สอนใครเขามาถาว่าบ้าไปหมดโลกนี่ใครจะไม่สามารถรู้ได้ลงถึงขนาดนี้แล้วพูดอะไรฟังว่าบ้าอยู่สบายสบายพอจังหวีตไปวันหนึ่งพอถึงวันตายท่านก็พอแล้วจะพูดอะไรบ้างเขจะถามว่าบ้าทั้งโลกพูดได้เลยงั้นก็เกิดคำามน้อยที่สุไม่อยากพูดอะไรทั้งนั้น เวลาทำก็ไม่เกิดประโยชน์มันฝึกวิสัยที่มนุษย์จะดูมันางั้นนะที่แรกนะแฮะเบื้องต้นมันยังไม่ได้คิดนิพการวิจารณ์เอาให้กว้างขอางลงไปแต่มันก็ไม่นานเพรจิตตรงนี้มันจะเรนอนใจได้ไหมสิ่งที่ไม่นอนใจมีอยู่พูดภาษาสมุนไเราก็บทนโถเห็นมนจากหนึ่งเฝ้าอทั้งวันทั้งคืนก็ไม่รู้ต่อให้ได้ขี่ครอบหัวใจตรงนั้นทั้งนั้นน้ำกู ยักมา่อถ้าเราเป็นของสุริสายจริงมนุษย์ทั้งหลายรู้ไม่ได้เราเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรอรือวะทำไมเพงรู้ได้รู้ได้เพราะเหตุใดทีนี้มันก็ต้องกระจายไปถึงปฏิบัติการอ๋อถ้าถ้าหาว่ามีปฏิบัติการอะไรแล้วก็รู้ได้แหนพระเจ้าทําไมรู้ได้รู้ได้เพราะเหตุใดเพราะปฏิบัติการเท่านั้ไมรู้ได้รู้ได้เพราะปฏิบัติกานเลยนี่ทําไมจะไม่รู้ได้พราะเมื่อมีปฏิบัติการเนินให้ตรงเป็นตดำ หลักธรรที่เจ้าโทนสอนเน่ยพ้นไปไม่ได้ต้องรู้ที่นี้มันก็ขยายออกไป ม, มีแก่ใจมันถึงย้อนไปเรื่องผมพูดให้เจ้ามันเอานี่เป็นสักขิพยานนีนะมนเมื่อมีสักขีพยานมันพูดไปได้เท่านั้นแหละเมื่อมีสักขิพยานมันพูดไม่ได้เช่นอย่างเราจับผู้ร้ามันมีของกลางจับได้รครับฝ่ายฝ่ายชั่อเปลีนกันฝ่ายดีก็มันมีของกลางอยู่แล้วอันนี้คืออะไรรู้ได้ยังไงเพรออาะเหตุอะไรเพราเห็นนั้นเห็นนั้นนั่นนี่นนนมเมื่อตั่งสอน อบรมคนให้คนเข้าใจตามนี้ผู้ปฏิบัติประบัติปฏิญาณยังไงก็รู้ได้แค่ น, นี้เองนี่ก็มีเสียใจของผู้รจ้าบิได้ทรงตั้งวงขวัญน้อยไม่อยากสั่งสอนแต่โลกทั้งที่ปรารถนาเป็นปรารถาสั่งสอนโลกมาอยู่แล้วแต่พอเข้าถึงนั่นจริงๆแล้วทําความกวอญเราแน่ใจว่าเป็นอย่างนี้ในเบื้องต้นที่พระองค์ยังไม่ทรงวินิจฉัยแค่ส่วนไหนให้กว้างออกไปกว่าจุดเที่อาจารย์นั้นหนึ่เหมือนก็มีนี่อย่างเดียว ไม่มีอะไรจะเอื้อเข้ามาถึงได้เลยความจิงก็มาด้วยปฏิบัติเอื้อมเข้ามาเอื้อมมาเ <c oughs> มื่อถึงที่แ้กเราคขยผัดออกซี้บันไดวาแล้วพลาดกับวันไดได้เมื่อถึงที่แล้วออนีวกกนไนปฏิบัติเข้ามาพอถึงที่แล้วเราพลาดกันได้ปฏิบัติ <c oughs> นี่คับนีกนั่งก่อนมีแจกพระไท่ที่สั่งสอนตอนโลกคือพระเมตตาจุด่วนอยู่แล้วแต่ไม่ทราบจะสอนได้ยังไงนี่เขาถ <c oughs> <ส>ามว่าบ้าหรือยังว่า พอแ ย, ยกแยกมาถึงปฏิวัติแล้ว อ, อ๋ได้ได้ที่นพระเมตตก็เต็มส่วนทางพระเมตตก็เดินได้ขึ้นี่หลังจากนั้นก็พมมาจารุกาท่ามฮาพรมมาลาธันนาเป็นมาราที่สองมาพงศงตรงพระไทยแล้วด้วยเหตุผลอันนี้ <c oughs> อาที่อันจริงจังเราจะมะคาดนะคาดนะผมนี้ผ่านาการพูดให้ฟังนี้ก็ไม่มาคาดแตให้เป็นกําลังใจใน ม, มาคาดให้ดําเนินตามหลักปฏิบัติในวงปฏิวัติธรรม นิสัยใจของเราเป็นยังไงให้ดําเนินตามนิสัยนั่นคอยให้ยืดยืดเราทำเป็นหลักไว้แล้วกันจะรู้นั่นเห็นนี่อยากไปค่าไปคิดหาจะเกิดขึ้นภายในตัวนิสัยตัวของเองนั่นเป็นผลตกแต่งไม่ได้ตกแต่งเหตุเอาดีท่านจริงให้จังรู้จะเข้าใจโดยลําดับเมื่อมันถึงน้อง อ, อ๋อเแล้วมันก็หายท้งสายทั้งหมดแล้วมันปล่อยได้ปล่อยโหมดที่นี่หมดกังวลทั้งนั้ น, น, น, ข, นขึ้นขึ้นชื่อว่าแดนสมมุติแล้ว ปลอยโดยสิ้นเชิงว่างนั้นเลยไม่มีอะไรจะยิ่งกว่านี้แม้แต่ส่วนที่ว่ายิ่งนี้ก็ไม่ยึดตัวเองอีกละท่านบราจะอธิบายให้หูเพื่อนฟังอ่ก็ได้